Mm hmm. เพื่อนคนหนึ่งเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ป้คงประดับอธิบดีแล้วเป็นคนที่มีความรู้แล้วเก่งได้รับเชิญให้ไปบรรยายในที่ต่างๆไม่ใช่เฉพาะในหน่วยราชการนะแต่ว่าในภาคเอกชนก็เรียกว่าตัวประเทศแต่ว่างานราชการก็ไม่ทิ้ง แกเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องการแต่งกายเท่าไหร่อาจจะเป็นนักวิชาการเวลาไปทำงานก็ภรรยาก็มักจะคอยดูนะเรื่องการแต่งกายจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบบีผมเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยยาวอยู่แล้ว บางทีภรรยาก็ต้องคอยทักคอยท้วงให้หวีผมมีวันนึ่งนะก็แกก็จะไปทำงานเหมือนเคยก่อนจาะจบบ้านภรรยาก็ทักเรื่องผมนะบอกว่าให้หวีผมสักหน่อยวันนั้นปรากฏว่าแกเกิดอารมณ์ไม่ดีไงไม่ทราบนะก็เกิดชวนขึ้นมาในใจนึกขึ้นมาใน ใ, นใจเลยว่าเนี่ยมึงเป็นใครนะ กูเป็นวิทยากรระดับประเทศมึงเป็นใครทำไมถึงทำกับกูอย่างนี้นะขึ้นมาในใจโผร่ขึ้นมาเลยแต่ว่ายัางดีที่มีสติทันกนะ็เลยไม่พูดออกไปอลองนึกดูว่าถ้าพูดออกไปนี่จะคงเป็นเรื่องนะเพราะว่าภรรยาก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรเพียงแค่แนะนำให้ให้วมนระม เรื่องนี้แกก็เก็บไว้ในใจนะแต่ตอนหลังก็เห็นเป็นเรื่องตลกก็เอามาเล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยไอ้ตัวกูนี่มันมันน่ากลัวแค่ไหนนะเวลาเพียงแค่ถูกทักถูกท้วงนิดหน่อยแนีก็ขึ้นมาเลยไอ้ความเป็นตัวกูว่าเป็นวิทยากรระดับชาตินี่มันก็คอยที่จะโผล่ขึ้นมาแม้กระทั่งใน เวลาอยู่กับบ้านเวลาอยู่กับภรรยามันก็ยังหาช่องโผลขึ้นมาได้ไอ้ตอนที่แกมีความรู้สึกโกรธภรรยาแล้วเกิดความรู้สึกูเป็นวิญญาณระดับชาติเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการลืมตัวอย่างหนึ่งนะเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงว่าลืมตัวนี่มันหมายถึงการที่ไม่รู้ว่ากำลังทําอะไรอยู่หรือว่าไปเผลอทําในสิ่งที่ไม่ควรทําหรือว่า เพล่ไม่ทําในสิ่งที่สมควรจะทําแต่ความลืมตัวนี่ยังในความหมายที่ลึกที่สุดก็คือการไปเพล่ปล่อยให้ตัวกูมันขึ้นลืมตัวเมื่อไหร่ก็มีตัวกูมันนั้นนมันแปลกนะมีตัวกูก็เพราะลืมตัวนะแต่พอรู้ตัวเมื่อไหร่ไอตัวกูก็หายไป ความรู้ตัวนี่มันไม่ได้ใช่ทำให้ตัวกลัเพิ่มขึ้นนะแต่กลับไม่มีแต่ลืมตัวเมื่อไหร่นี่ตัวกูมก็ชูคอขึ้นมาเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีสติทันตามมาก็ก็จะช่วยให้ตัวกลนี่มันไม่อารวาสมานะพอมันโผล่ขึ้นมาแล้วมีสติทันก็มันก็หายไปแต่ว่าถ้าจะดีให้ดีกว่านั้นก็คือว่า ไอตอนที่มีผัสสะนะเกิดได้ยินเสียงหรือเห็นภาพเห็นรูปเนี่ยถ้า ม, มีสติทันไงตอนนั้นนี่ตัวกูมันก็ไม่ได้ช่องที่จะโผล่ขึ้นมาได้แต่เมื่อไม่มีมสติมันเกิดความหลงขึ้นมาตัวกูก็โผล่คอขึ้นมาเลยมีตัวกูก็ก็หลงนะหรือว่าลืมตัวก็รจริงๆแล้วตัวกูมันมันไม่ได้มีอยู่จริงนะ เป็นเพราะลืมตัวนะมันถึงเพลอปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาอันนี้เป็นความจริงที่คนไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าไอตัวกูนี่มันไม่ใช่มีอยู่จริงแต่มันสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ว่าเราปรุงแต่งจนมันเป็นปกติไปแล้วนะเลยเิดว่ันเป็นความจริงแต่เราลองสังเกตด้วยไอตัวกูเนี่นะถ้ามันมีจริงก็ต้องมีตัวเดียวแต่ว่า ในความรู้สึก ข, ของเราเนี่ยตัวกูเนี่ยมันมีหรือตัวฉันนี่มันมีหลายฉากเหลือเกินเวลาอยู่กับลูกก็ตัวกูผู้เป็นแม่ก็เกิดขึ้นเวลาอยู่กับสามีตัวกูผู้เป็นภรรยาก็มาแทนเวลาอยู่กับฝรั่งตัวกูผู้เป็นคนไทยก็ชูคอขึ้นมานี่ยคุเรามันมีตัวกูหลายฉากหลายด้านเหลือเกินนะ ทั้งตัวกูที่เป็นลูกน้องตัวกูที่เป็นเจ้านายและแต่ละอันมันก็แสดงอาการไม่เหมือนกันนะเช่นเวลาตัวกูผู้เป็นลูกน้องเกิดขึ้นนี่มันก็สงบนะสำรวมเจ้านายว่าอะไรก็ทำตามแต่เวลาอยู่กับลูกน้องนะตัวกูผู้เป็นนายก็ขึ้นม า, นากกนี้ก็จะใช้อำนาจแสดงอำนาจกับลูกน้องก็มี กลายเป็นคนละเรื่องไปเลยนะอยู่กับเจ้านายนี่สงบเงียบงิ้มนะเรียบร้อยพูดจาสุภาพนะแต่พออยู่กับลูกน้องนี่กลายเป็นคนละคนเลยอันนี้เรียกว่ามันมีหลายตัวกูนะคนคนหนึ่งนี่มีหลายตัวกูแล้วถ้าตัวกูนี่มันมีจริงมันเป็นของแท้ของจริงก็ต้องมีอันเดียวแต่ทำไมมันมีหลายอันเหลือเกิน แล้วแต่ละคนนี่ก็มีหลายตัวกูนะแม้แต่พระนี่ก็มีหลายตัวกูบางขณะก็เป็นเป็นพระความประสงค์เป็นพร ะ, นพระในบางขณะก็เป็นคนไทยบางขณะก็เป็นคนอีสานหรือคนกรุงเทพบางขณะก็เป็นอาจารย์บางขณะก็ตัวกูพอเป็นเสร็จก็เด่นขึ้นมาและบางทีมันก็ขัดแย้งกัน อย่างเช่นพระบางรูปนี่นะไปดูโทรทัศน์ก็มีการแข่งถ่ายทอดสดนกชกไทยขึ้นจิงเหรียญทองกับนกชกคิวบาพอดูไปดูไปนี่เริ่มออกอาการเริ่มออกหมัดออกออกศอกนะออกหมาดนะไม่ไม่ศอกนะออกหมัดตามนักชกไทยที่เห็นทางโทรทัศน์นะบางทีก็มีเสียงออกมา เพราะว่ากลังเชียร์กลังลุ้นให้นักชกไทยได้เหรียญทองไอ้ตอนนั้นเนี่ยก็ลืมตัวไปแล้วล่ะลืมตัวไอ้ตัวกูทุกผู้เป็นพ้านี่มันหายไปและมันมีแต่ตัวกูที่เป็นคนไทยนะที่อยากจะเชียร์นักชกไทยได้วยกันให้ได้เหรียญทองอันนี้มันเรียกว่าไอ้ตัวกูตอนนั้นเนี่ยแสดงพฤติกรรมที่ตรงข้ามนะกับความเป็นพระหรือแตกต่างจากตัวกูที่เป็นพระ เพราะตัวกูจะเป็นพระนี่ก็ต้องสงบสํารวมนะให้ญาติโยมเห็นว่าเราเป็นผู้ที่มีความน่าเคารพนะแต่เวลาดูชกมวยนะไอความเป็นคนไทยมันขึ้นมาลืมไปเลยลืมความเป็นพระไปเลยนะอันนั้นก็เราเป็นการลืมตัวแบบหนึ่งคือลืมความเป็นพระไปเพราะว่าไอตัวกูผู้เป็นคนไทยนี่มันขึ้นมาแต่บางทีถึงแม้จะไม่ได้ดู ททัศน์นะแต่ว่าดูแค่ดูข่าวหนังสือพิมพ์ก็อยากจะรุ่นอยากจะเชียร์ให้นักโชคไทยได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้แล้วทัง้งที่ในความเป็นพระนี่ก็ควรจะมีเมตตากทุกฝ่ายนะไม่ใช่ไปคิดลบหรือว่าคอยแช่งอีกฝ่ายนึงให้ให้แพนะ้อันนั้นมันไม่ใช่วิธีคิดหรือว่าคุณธรรมของพระนะพระเราก็ต้องมีเมตตา อย่างที่เราสดอย่างที่เราพิจารณาแผ่เมตตาเมื่อสักครู่อะสัเพสัต า, ตาวก็แผ่เมตตาสัพสัตทั้งหมดไม่ใช่แค่ผ่เมตตาเฉพาะคนไทยแล้วก็คอยหรือว่าคิดในแง่ลบ ก, กับคนชาติอื่นนะ่าเป็นพระนี่มันไม่มีชาติไม่มีชาติแผ่เมตตาให้ทุกศาสนาทุกเชื้อชาติไม่ใช่เฉพาะคนเดียวสัตว์ ด, ด้วยแต่พอเป็นคนไทยหรือตัวกูคนไทยมันโผล่ขึ้นมานี่มัน คิดแต่จะนึกถึงแต่คนไทยชาติไทยชาติอื่นไม่สนหรือว่าถ้าจะด้อยกว่าหรือว่าจะแพ้หรือว่าจ ะ, จะเจริญต่ำต้อยกว่าชาติฉันยิ่งดีเข้าไปใหญ่อาเซียนนี่จะต้องสู้ชาติไทยไม่ได้นะชาติอื่นในอาเซียนต้องสู้ชาติไทยไม่ได้อันนี้มันเป็นกิเลส ข, ของตัวกูผู้เป็นคนไทยนะซึ่งบางทีมันก็เกิดขึ้นกับพระบ้างกับชีบ้างกับใครต่อใครบ้างในเวลาที่ลืมตัวนะ นี่ใช่ไหมตัวกูนี่มันมีหลายฉากเหลือเกินมันมีหลายตัวกูในคนคนเดียวกันแล้วก็บางทีก็มีพฤติกรรมต่างกันผู้หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียแค่ผู้ย่างนี้ก็มีหลายตัวกูแล้วนะตัวกูที่เป็นผู้หญิงตัวกูที่เป็นอเมริกันก็มีเคยมีการทดลองนะให้ผู้หญิงชาวอเมริกันเนี่ยให้ทําแบบทดสอบ กอนจะทำแบบทดสอบก็มีการถามทีแรกก็ถามว่าเป็นเพศอะไรนะมีพี่น้องกี่คนชอบแต่งตัวใส่เสื้อสีอะไรเพื่อปลุกไอ้ความเป็นความเป็นผู้หญิงให้เกิดขึ้นทีลหลั้ทำข้อสอบทีนึงก็สัมภาษณ์ใหม่เปลี่ยนด้วยว่าเป็นคนเชื้อชาติอะไรมาตั้งรกรากตั้งแต่เมื่อไหร่ชอบอะไรที่เป็นของอเมริกัน ความสืบเป็นอเมริกันเชื้อสายเอเชียขึ้นมาแล้วก็ให้ทำข้อสอบปรากว่าข้อสอบต่างกันนะคนคนเดียวกันแต่ทําข้อสอบสองครั้งไม่เหมือนกันครั้งแรกจะทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครั้งที่สองจะทําได้ดีข้อสอบที่ทํานี้เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์นะไม่ทําไมคนคนเดียวกันแต่ทําข้อสอบคล้ายๆกันแต่ผลได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกนี่ พอถูกปลุกตัวกูผู้เป็นผู้หญิงขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงไม่ค่อยเก่งหรอกเรื่องคณิตศาสตร์นะใครๆก็คิดแบบนั้นก็เลยทําไม่ค่อยดีแต่พอไปปลุกตัวกูผู้เป็นอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งเป็นที่เรื่องหรือว่าเรื่องคณิตศาสตร์นี่เก่งปรากว่าทําคณิตศาสตร์ได้คะแนนดีคนหนึ่ ง, งมี2ตัวกูอยู่ด้วยกันสุดแท้ายแต่ว่าจะปลุกอะไรขึ้นมาซึ่งมก็เป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งสิ้น แต่วาก็เราไปคิดว่าจริงไงและประเหณี น, นี้แหละนะเวลาเราไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เข้าเนี่ยพอลืมตัวเมื่อไหร่มันก็จะโผล่ขึ้นมาสุดแท้แต่สถานการณ์ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบางทีก็ตัวกูผู้เป็นพระก็โผล่ขึ้นมาโดยเพราะเวลาไม่มีสตินี่มันก็จะโผล่มาได้ทั้งนั้นลุงพ่อพุทธานิโยท่านอดีตเจ้าวัดวัดวดวดวดป่าสารวันท่านก็มรณภาพาไปนานถ้าเรามาสมัย ท, ท่านยังหนุ่มเนี่ย เคยไปบินทำ บ, บาตในเมืองที่อุบลเดินไปได้สักพักก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชายอายุสักห้าขวบยืนรอใส่บาตรอยู่ท่านก็เดินไปด้วยความสงบสํารวมแต่พอเดินไปใกล้ๆเนี่ยลูกชายของพีงคนนั้นเนี่ยก็โปรงขึ้นมาเลยว่ามึงบ่แม hm hm hm hm hm hm ่นพระดอกมึงบ่แม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระหรอก นั่นฉุนเล่นนะโกรธขึ้นมาเลยแต่สักพักก็ได้สติแล้วก็ได้คิดขึ้นมาว่าเออจริงของมันนะเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอได้คิดเช่นนี้นี่ไอความโกรธนี่หายวูบไปเลยแล้วท่านกลับมาเป็นปกติใหม่แล้วก็เดินไปรับบาตรไม่มีอาการอะไร ตอนหลังท่านก็มาพูดเด็กคนนี้ว่าเป็นอาจารย์ของท่านที่เรียกว่าฝึกสติแล้วก็ทําให้ท่านเห็นเห็นกินเลส ข, ของตัวให้ตอนที่ท่านได้ยินเด็กพูดอย่างนั้นเนี่ยไอ้ตัวกูผู้เป็นพระก็ขึ้นมากูเป็นพระนี่เด็กก็ต้องหรือใครก็ตามก็ต้องปฏิบัติกับกูอย่างดีนะต้องพูดจาสุภาพเคารพนี่มาพูดแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนตัวกูมันขึ้นมาเลยนะตัวกูผู้เป็นพระ อันนี้เรียกว่าลืมตัวแล้วนะแต่ว่าสักพักสติก็มาทันทีเลยเออสมณสัญญามาว่าเออเป็นพระต้องไม่โกรธอันนี้ก็เป็นตัวกูอีกแบบหนึ่งนะแต่เป็นตัวกูทีออ่ฝ่ายดีนะว่าเออเป็นพระเราก็ต้องสงบสำรวมสิเป็นพระเราก็ต้องจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว ไอ้ตัวกูผู้เป็นพระฝ่ายลบนี่มันก็ต้องการความเคารพความศรัทธาต้องการให้คนมาเชิดชูยกย่องกราบไหว้แต่ตัวกูผู้เป็นพระฝ่ายดีเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นพระก็ต้องสงบสํารวมนะใจิตใจมันคงมีสติไม่วันไหวอันนี้คนธรรมดามก็ต้องมีตัวนี้อยู่นะปุถุชนเพียงแต่ว่าถ้ามีสติเนี่ย มันก็จะรู้จักใช้ตัวกูที่ดีเนี่ยให้มาทำให้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเนี่ยหมดไปงั้การมีสตินี่มันก็จะช่วยทำให้เรารู้จักเลือกใช้เลือกใช้ตัวกูนะที่ดีๆเนี่ยให้มาทดแทนไม่เปิดช่องให้ตัวกูที่เป็นฝ่ายร้ายฝ่ายกิเลสเนี่ยมันเข้ามาครอบงา แต่ถ้ามีสติจริงๆเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่มีตัวกูเลยนะไม่ว่าจะตัวกูฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็ตามอันนี้ถ้าเราหมั่นสังเกตดูใจของเรามันจะเห็นเลยว่าไอ้ไอที่เรามีความโกรธมีความโมโหเนี่ยมีความเศร้าเสียใจนี่เป็นเพราะว่าเผลอลืมตัวหรือว่าไม่มีสติก็ปล่อยให้ตัวกูนี่มันขึ้นมา หรือว่าเผลอปรุงแต่งตัวกูขึ้นมาแล้วพอตัวกูขึ้นมาทีไรนี่มันทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะว่ามันจะมีกิเลสที่จะอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้อยากให้คนเคารพอยากจะให้คนพูดดีๆ ท, ท, ทั้งๆที่ก็เป็นคนใกล้คนที่อยู่รอบตัวแต่ก็ยังเรียกร้องขาดขันจากเขาเช่นสามีก็อยากให้ภรรยาพูดเพราะๆ ทั้งที่ก็อยู่กันมานานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันซึ่งตัวที่ทำให้เรารู้เท่าทันได้ก็คือสตินั่นเองอันนี้นอกจากตัวกลัวแล้วมันก็มีของกลัอีกนะที่ทำให้คนเราทุกข์ไอ้ของกูนี่นก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันมันเกิดขึ้นจากอาวิชชาคือความหลงความไม่รู้แต่ว่า ในแต่ละขนาดแต่ละขนาดเนี่ยที่วิชามันทำงานได้ก็เพราะว่าให้ความไม่มีสตินั่นแหละพอเราไม่มีสติทีไรก็ไปยึดมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของกูและลองสังเกตนะเมื่อใดก็ตามที่เราไปยึดมั่นว่าสิ่งใดเป็นของเรานะเราจะกลายเป็นของสิ่งนั้นทันทีพอเราไปเปิดยึดมั่นว่าเงินเป็นของกูเงินเป็นของเราเราก็กลายเป็นของเงินทันที เวลาถูกคนจี้เอาเงินเนี่ยความหวงแหนเงินไม่ททำให้เราพร้อมที่จะตายเพื่อรักษาเงินเอาไว้เรายอมตายเพื่อเงินในกระเป๋าอันนี้แสดงว่าเราเป็นของมันแล้วไม่ใช่มันเป็นของเรามีบางคนไปป่อรถมาบอกกว่าธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีเงินผ่อนรถนะอเลยทำยังไงอ่ะ คือถ้าถ้ามองด้วยเหตุด้วยผลก็ต้องปล่อยให้รถมันหลุดไปแต่ว่าไม่ยอมเงี้ยก็ยเลยไปกู้เงินดอกเบี้ยแพงๆมาไม่ได้มองคิดหน้าคิดหลังเลยว่าจะมีปัญญาจ่ายดอกเบี้ยราคาแพงหรือเปล่าก็พอไปกู้เงินเข้ามาไม่มีเงินส่งดอกทาอําไงอ่ะตอนนี้ต้องเอาบ้านไปจำนองเพื่อได้มีเงินมาผ่อนรถสุดท้ายก็ นอกจากไม่มีเงินผ่อนรถแล้วไม่เพียงแต่รถทนั้นที่หลุดนะบ้านก็หลุดไปด้วยอาการหรือว่าสถานะ ก, ก็แย่ลงตามลําดับเพราะว่าหวงแหนในรถนะรถเป็นของกูรถเป็นของกูก็เลยกลายเป็นว่าเสียทั้งรถเสียทั้งบ้านในที่สุดอันนี้เพราะว่าพอไปยึดม า, าเป็นของกูแล้วเนี่ยนะกูก็เป็นของมันทันทีเลยก็อยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะรักษามันเอาไว้ โดยที่ไม่คิดเลยว่าไหนสุดแล้วเรากูเองก็จะลําบากมันก็เหมือนกับคนที่ห่วงแหวนหีบสมบัตินะหีบสมบัติอยู่ในเรือบังเอิญหีบสมบัตินี้มันพลัดตกจากเรือไปด้วยความห่วงแหวนว่าหีบสมบัติเป็นของกูก็เลยกอดหีบสมบัตินั้นเอาไว้หีบสมบัตินี้มันหนักเนี่ยนะมันก็ลงดิ่งลงสู่ทะเลก็ยังกอดเอไว้อยู่มันเป็นของกูมันเป็นของกู จะไม่ยอมเสียมันไปสุดท้ายเป็นไงเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตนะเพราะกอบมันเอาไว้ไงไอความคิดว่ามันเป็นของกูนะกูก็เลยเป็นของมันไปเลยยอมตายเพื่อมันได้เป็นอย่างนี้เยอะมากเลยนะไอทรัพสมบัติไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถนะยึดมั่นถือมั่นแล้วพอมันจะเสียไปไม่ยอมไม่ยอมสละก็เลย เสียทั้งรถเสียทั้งคนเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งชีวิตน้ําท่วมปีที่แล้วนี่ก็หลายคนก็เป็นแบบนี้นะคือแทนที่จะสละบ้านสละทรัพย์สมบัติก็ยังกอดมันเอาไว้ก็เลยตายไปด้วยเลยหรือไม่ก็ถึงแม้ไม่ตายน้ําแต่ว่าก็ตายด้วยน้ํามือตัวเองเพราะผิดหวังมากเสียใจกลุ้มใจที่เสียทรัพย์เสียบ้านหรือฆ่าตัวตาย ยิ่แสดงว่าเราเป็นของมันเป็นแล้วไม่ใช่มันเป็นของเราเพราะทำเป็นของเราเราก็ใช้มันให้อหํานวยความสุขแก่เราได้แต่นี่คนเราทุกข์เพราะมันเยอะมากเพราะว่าความเสียดายความที่จะห่วงแหนมันเอาไว้มันไม่ใช่เฉพาะทรัพย์อย่างเดียวนะคนก็เหมือนกันแฟนของกูปัวของกูเมียของกูลูกของกูนะแม่คิดว่าลูกเป็นของแม่แต่จริงอะ่ะ แม่เป็นของลูกพอะลูกไม่เกลียบแม่ลูกโกรธแม่เพราะแม่จําจีจำชัยมากแม่กุ้มใจเสียใจยืนคําขาว่าลูกต้องพูดกับแม่ถ้าลูกไม่พูดกับแม่แม่โดดตึกนะไอ้ลูกมันก็ใจเด็ดมันไม่พูดกับแม่มันถือทิฐิมานะมากแม่ว่ากูแม่ว่ากูกูไม่พูดกับแม่แม่ทำไงแม่เสียใจมากกุ้มใจ โดดตึกต่อหน้าเลยต่อหน้าลูกเลยให้ลูกเห็นตายเพราะไปยึดมาว่าลูกเป็นของฉันลูกเป็นของฉันลูกต้องพูดดีกับชาลูกต้องเคารพฉันพอลูกไม่เคารพลูกไม่พูดกับแม่แม่ทําร้ายตัวเองเลยเพราะตอนนั้นแม่เป็นของลูกไปแล้วอยู่ใต้อำนาจของลูกลูกมันไม่พูดกับแม่แม่ก็ทุกข์นั่นนี่เรียกว่าแม่เป็นของลูกไปแล้วคืออยู่ในอำนาจของลูกไปแล้ว นี่เราต้องต้องระมัดระวังในไะอการที่เราไม่มีสติเนี่ยมันทําให้เราลืมตัวมันไม่ใช่ลืมตัวจากตอนที่โกรธลูกหรือว่าน้อยใจลูกจนกระทั่งโดดตึกตายนะมันลืมตัวตั้งแต่ปล่อยให้ความเป็นตัวกูขึ้นมาแล้วกูเป็นแม่กูเป็นแม่ลูกทําอย่างนี้กับกูได้ยังไงเห็นไหมว่าควาว่าลืมตัวมันจึงมีความหมายที่หลายระดับมากนะ แล้วเราก็ต้องรู้ให้ทันนะในขณะที่ยังมีตัวกูอยู่ก็ยังใช้ตัวกูให้เป็นนะมันก็จะช่วยให้ไม่ไปปกคร่อมกันด้วยตัวกูฝ่ายที่เป็นตัวลายได้อย่างที่หลวง พ, พ่อปุณณ์นี่ท่านใช้คาว่าเออเราเป็นพระเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะถ้าเราโกรธแสดงว่าเราไม่ใช่พระอันนี้เรียกว่าเป็นการใช้ตัวกูฝ่ายดีขึ้นมาเนพะื่อที่ทาให้ไม่ไปโกรธไม่ไปโกรธเด็ก ก็ขอบคุณเด็กได้ซ้าเวลาเราดินเสียงหรือว่ามีคนมาเตือนเราเนี่ยก็ลองสังเกตดูนะแล้วพยายามตั้งสติให้ได้อย่าให้ตัวกูมันโผล่ขึ้นมาเพราะถ้าตัวกูโผล่ขึ้นมาก็จะทุกข์เพราะคำติงหรือคำวิจาร์โกรธเพราะในใจมันจะนึกว่าเขาว่ากูเขาว่ากูมันมีตัวกูออกมารับคำด่าดเต็มที่เลย ตัวกูออกมารับคำด่าดเต็มที่แล้วก็เลยทุกข์แล้วก็เลยโกรธแต่ถ้ามีสติแล้วก็มีปัญญาด้วยเนี่ยก็จะไม่เปิดให้ตัวกูโผขึ้นมาแท น, นที่จะรู้สึกว่าเขาว่ากูเขาว่ากูก็จะมาดูว่าเออที่เขาพูดมันจริงไหมที่เขาพูดม า, มม า, ดมาถูกไหมอย่างที่หลวงพ่อพุธนี่ท่านพอมีสติเนี่ยเกิดโยนิโสมณสิ ก, การนขึ้นมาท่านก็เออเด็กพูดถูกฮะเด็กพูดถูก ต, ตอนที่คิดว่าเด็กพูดถูกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้ปัญญาแล้วเพราะใช้สติแล้วคือพิจารณาว่าเออเขาพูดจริงไหมเขาพูดถูกไหมมันไม่มีตัวกูนะตอนนั้นนะแต่ถ้าไม่มีสตินะไม่มีปัญญานะมันจะพูดขึ้นมาเลยมันว่ากูมันว่ากูกูไม่ดีตรงไหนนะแล้วมึงละ่ะมึงทําดีแค่ไหนอนตอนนี้ก็เริ่มเลยนะก็ทะเลาะกันเลยเนะ่ย ถ้าลื่มตัวไม่ไม่รู้ทันปล่อยให้พูดออกมาปล่อยให้ระเบิดออกมานี่มันก็ทะเลาะกันเลยแล้วในครอบครัวก็ตามในที่ทํางาน ก, าก็ตามก็เป็นเพราะเหตุ น, นี้แหละเราทนฟังคําวิจารณ์ไม่ได้ทนฟังคําพูดไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวกูยึดอยู่อย่างเหนียวแน่นบางทีเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่เขาคิดไม่เหมือนเราเขาพูดไม่เหมือนเราเขามีความเห็นไม่เหมือนเราเราก็ทนไม่ได้ เพราะว่าในความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของกูว่าถูกพออีกฝ่ายหนึ่งคิดไม่เหมือนเราก็จะโกรธนะดูถูกเขาว่าเขาเป็นคนโง่นะหรือว่าเป็นพวกงี่เง่าพอดูถูกเขาแล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะพูดหรือทำในสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความไม่พอใจขึ้นอันนี้เราเป็นเพราะทิฏฐินะ วันก่อนก็ได้พูดไปแล้วว่ากิเลสมันมีสามตัวก็คือมานะตันหาทิฏฐิซึ่งถ้าง่ายๆคือว่าตัวกูของกูแล้วก็นี่กูนะตันหาคือของกูของกูทิฏฐิคือตัวกูรวมทั้งความคิดของกูด้วยว่าถูกมานะคือนี่กูนะนี่กูนะเว้ยนะนี่กูเป็นพระนะเวย้ยนี่กูเป็นพ่อนะเวย้ยนี่กูเป็นแม่นะเวย้ย นี่กูเป็นเจ้านายนะเว้ยมันก็จะเกิดความโกรธได้ง่ายหรือว่านี่กูวิทยากรระดับประเทศนะเว้ยมาพูกกูอย่างนี้ได้ไงนี่นี่แหละไอตัวกูมันก็แสดงออกมาในรูปของมานะตันหาทิฐิหรือตันหามานะทิฏฐิพอมันโผล่ขึ้นมามันชูคอขึ้นมาแล้วคนนี้ก็เตรียมทุกได้เลยแล้วทุกคนนี้ไม่พอนะทำให้คหนอื่นทุกด้วย ไม่ต้องรู้เท่าทันนะไอ้ตัวกูที่มันโผล่มานะซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงหรอกเป็นเพราะใจมันปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่มีสติแล้วมันก็โผล่มาในสามอาการตัณหามานะทิฐิตัวกูของกูนี่กูนะให้การเจริญสติเนี่ยเราต้องไปให้ลึกจนกระทั่งเห็นหรือเท่าทันไอ้ตัวกูนี้ ไม่ใช่เห็นเพียงแค่รู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นความคิดความเผลอความฟุ้งซ่านอ๋อรู้ทันว่อดใจนี่มันไปที่บ้านแล้วอ๋อรู้ทันแล้วใจมันไปที่งานแล้วที่สำนัก ง, งานแล้วอ๋อรู้ทันเจ้าพักอ๋อรู้แล้วรู้ทันใจที่มันคิดไปนะถึงลูกถึงพ่อแม่อันนั้นยังตื่นอยู่นะมันต้องไปให้ลึกจนกระทังเห็นเลยโอ้ยไอตัวกูของกูนี่ โผล่มาแล้วโผล่มาแล้ว น, นั่นไอการที่รู้ทันนี่มันมีหลายระดับรู้ทันนี่มันมีหลายระดับ ก, ก็ต้องใหม่ๆแล้วก็รู้ทันผิวๆก่อนเผลอไปคิดถึงบ้านเผลอไปคิดถึงลูกเผลอไปนึกถึงหนี้สินที่ยังไม่ได้จ่ายอ่าแต่พอฉลาดในการรู้ทันก็จะเห็นเลยโอ้ไอที่ไปอาลัยไปนึกเสียดายไปนึกเป็นห่วง อันนี้ลากฐานมาคือไอตัวกูของกูนี่แหละไปเผาปรุงตัวกูขึ้นมาแล้วมันก็เลยมีของกูแล้วก็เลยมีนี่กูณนาตามมาลองมองให้เห็นแบบนี้นะมันจะช่วยทำให้ลดกิเลสได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่เกิดความสงบแต่ว่ามันช่วยทำให้เห็นให้ตัวกิเลส ท, ที่มันคอยชักใยอยู่เบื้องหลังแลวคอยสมไฟ ใส่ความทุกข์ให้กแกเราแต่ก่อนไปนึกว่าคนอื่นทําให้เราทุกข์ที่แท้ไอ้ตัวกูนี่เองนะที่เพรุงแต่งขึ้นมาทําให้เราทุกข์สมุทัยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่เจ้านายไม่ได้อยู่ที่สามีไม่ได้อยู่ที่ลูกไม่ได้อยู่ที่ลูกน้องนะไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ที่นักการเมืองติดที่ใจเราเนี่ยที่เพรุงตัวกูของกูขึ้นมาทําให้กิเลสมันชูคอ แล้วก็ครอบงําเล่นงานสร้างความทุกข์ให้แก่เราถ้าเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ใจนีก้กลับมาเป็นปกติได้มาพบสันติสุขภายในถึงแม้ว่าข้างนอกยังไม่เปลี่ยนนิสัยคนข้างนอกยังไม่เปลี่ยนเจ้านายก็ยังคนเดิมลูกน้องยังคนเดิมภรรยาสามีก็ยัง ยังพูดยังท้วงติงเหมือนเดิมแต่ใจแล้วไม่ทุกข์แล้วอันนี้เพราะว่าจัดการที่สาเหตุภายในได้ซึ่งเป็นสาเหตุท้